เสียงานหนังสือทศพลยานวิธีทมสมาธิแบบประยุกต์และการสอนศาสนาสอนศีลธรรมให้ได้ผลทำอย่างไรจะแก้นิสัยไม่ดีของคนส่วนใหญ่ได้จริงเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณแนะนำเนื้อหาโดยผู้บันทึกเสียงทศพลยานคือพระพุทธคุณซึ่งเป็นคุณสมบัติอันิเศษของพระพุทธเจ้า ในความปรีชายอย่างรู้สิบประการจัดอยู่ในด้านพระปัญญาคุณที่เป็นกำลังสำคัญให้ทรงสแสดงธรรมอย่างองอาจแนะนำสั่งสอนได้เหมาะสมตามพื้นเพอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจึงประกาศพระศาสนาได้เป็นผลสำเร็จผู้มีเชื่อในยานวิเศษนี้ว่ามีจริงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นวิจิกิจฉาสั่งโยต์ข้อสาคัญคือลังเลสงสัยในพระพุทธคุณย่อมบรรลุธรรมไม่ได้ ซึ่งในที่นี้อาจารย์พรท่านแจกแจงในหลายแง่มุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาธรรมทุกคนและโดยเฉพาะผู้เผยแผ่ธรรมให้เข้าใจหลักการของพระพุทธองค์ว่าทําไมจึงสอนได้ผลทุกรายที่สามารถนํามาปรับใช้กับการสอนศาสนาและการฝึกสมาธิให้กับคนทั่วไปให้เปลี่ยนนิสัยหรือเข้าถึงธรรมได้ง่ายและมั่นคงยิ่งขึ้นไปกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปแม้จะไม่มียานวิเศษเหมือนพระพุทธองค์ก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้คนอีกมากได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยไม่เสียเวลาและได้ผลดีขึ้นที่จะส่งผลดีทั้งต่อตนและสังคมพัฒนาคนและนำประเทศเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันได้ต่อไปนะครับตัวอย่างเนื้อหาภายในทศพลยานคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างทาไมพระพุทธเจ้าจึงสอนคนได้ผลทุกครั้ง จะนำหลักการสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ได้ดีที่สุดอย่างไรวิธีฝึกสมาธิและการสอนศาสนาที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในตอนนี้โดยมากเหมาะกับคนที่มีพื้นดีพอแล้วจึงไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่เพราะอะไรนักปกครองหรือผู้จะวางโครงการจะนำหลักทศพลยานมาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างไรวิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต การจุงจิตเพื่อการสอนศาสนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นตามหลักทศพลยานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเปลี่ยนนิสัยที่มีดีแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตการจุงสมาธิเพื่อให้รู้จักพิจารณาปัญหาชีวิตเปลี่ยนวิธีความคิดความยึดถือความเชื่อความเข้าใจผิดการให้กรรมฐานเพื่อฝึกสมาธิหรือการสอนธรรมะที่ได้ผลจริงและทาให้คนส่วนใหญ่เข้าสมาธิได้โดยไม่ยาก การแยกเรียนธรรมะให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของแต่ละคนให้เข้าใจเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกสมาธิโดยตรงคือใช้สิ่งที่เรียนมาพิจารณาในสมาธิการฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมสำหรับคนฟุ้งซ่านมากนั่งนานไม่ได้หรือเป็นโรคทางกายที่ไม่มีทางฝึกด้วยวิธีปกติได้ปัญหาทุกอย่างในสังคมแก้ได้ด้วยการพัฒนาจิตเหมือนการรักษาโรคที่สาเหตุ ที่แต่ละโรคจะใช้ยาต่างกันจึงต้องมีวิธีเหมาะสมแต่ละคนโดยทำตามหลักการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรหากไม่แน่ใจไม่กล้ายืนยันในเรื่องตายแล้วไม่สูญกดแห่งกรรมชีวิตที่เรียกว่าโอปปปาติกะมีจริงนโกสวรรค์มีจริงคนทำบุญบาปจะรับผลจริงก็ไม่ควรเป็นคนสอนศาสนาเพราะจะไม่มีทางสอนได้ถูกต้องเลยแต่แม้อย่างนั้น ก็ยังมีวิธีสอนศาสนาให้ได้ผลดีขึ้นได้อย่างไรจุดสังเกตของผู้เข้าใจธรรมจริงต้องมีชีวิตอยู่ได้การเสียสละและทุ่มเทชีวิตเพื่อทำความดีพัฒนาจิตทำประโยชน์ให้ผู้อื่นความเข้าใจเรื่องธาตุในความหมายทางพุทธและความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในการรู้เรื่องชีวิตและทุกสรรพสิ่งในจักรวาล น, นักสอนศาสนา ทำไมจึงควรมีความรู้ทางโลกได้เท่าหรือมากกว่าคนที่สอนและควรจะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยการอธิบายและอ้างตามคาพีที่ส่วนหนึ่งเป็นอุ ป, ปมาให้เหมาะสมกับคนสมัยก่อนอาจทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายหรือเข้าใจไม่จริงได้อย่างไรการสอนศาสนาหรือการศึกษาธรรมต้องหมายถึงการบำบัดความบกพร่องหรือความพิการทางใจให้หมดไป ไม่ใช่แค่เพื่อให้ท่องจำเนื้อหาได้เท่านั้นการสอนที่ไม่ตรงจุดที่เขาต้องการหรือไม่เหมาะกับพื้นฐานของเขาแค่ศี่ห้ายังยากจะสอนให้ปฏิบัติตามได้จะทำให้เสียเวลาและเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่เห็นคุณค่าในศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนใครต้องทรงรู้เรื่องเกี่ยวกับคนนั้นดีอย่างยิ่งเช่นต้องรู้ฐานะของคนที่จะสอนว่าจะเข้าใจเรื่องนั้นได้หรือไม่ จะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่คนที่จะสอนศาสนาได้จริงไม่ใช่แค่รู้เรื่องศาสนาแตกฉานเท่านั้นแต่ต้องรู้ถึงความเป็นไปและสติปัญญาของผู้ที่จะสอนด้วยแม้จะไม่มีญาณวิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าแต่การศึกษาเรื่องทศพลญาณจะทำให้รู้หลักในการสอนให้ได้ผลและนำมาประยุกเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมได้หลักตรวจสอบพื้นฐานจากอินทรีห้า ถ้าบารมีด้านใดยังอ่อนก็บรรลุไม่ได้จึงต้องสอนเพื่อให้บารมีที่ยังพร่องสมบูรณ์ขึ้นหรือสร้างบารมีด้านนั้นให้สมบูรณ์ก่อนสิ่งที่ฟังแล้วทำตามไม่ได้จะทำให้คนฟังเบื่อการจะสอนจึงต้องมีกุสโลบายให้เขาทำตามอย่างไรพื้นฐานแห่งการเข้าใจธรรมและคุณธรรมหลายอย่างสำคัญมากต่อ ก, การสอนให้คนมีศีลหรือฝึกสมาธิได้สำเร็จ ถ้ามีพื้นไม่พอก็ต้องเรียนให้รู้ก่อนจึงจะทำตามได้วิบากคืออะไรซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจความหมายผิดการรู้วิบากที่สาสมจนเป็นนิสัยของตนและคนอื่นทำให้คาดเดาได้ว่าเคยทำกรรมอะไรมาเหมือนรู้สาเหตุของโรคจึงแก้ได้ตรงจุดไม่เสียเวลาถ้าไม่ได้ยานที่อ่านใจคนได้ก็ต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาเพื่อการสอนที่ได้ผลอย่างไร หากเรารู้วิธีการอบรมจิตที่ถูกทางปัญหาทุกอย่างและความไม่ดีความเดือดร้อนในสังคมจะแก้ไขได้ตรงได้ไวและง่ายขึ้นอันจะมีผลให้เกิดความสงบสุขทั้งทางการและใจต่อตอนเองและสังคมและเป็นการสืบทอดพระศาสนาได้มั่นคงยิ่งขึ้นการศึกษาหรือการแสดงธรรมด้วยการขาดความเข้าใจก่อให้เกิดโทษมากมายและอาจเป็นการทาลายศาสนาทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะร่วมการศึกษาหรือส่งต่อให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำหลักการนี้ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์แก่ผู้คนอีกจำนวนมากในอนาคตต่อไปนะครับหนังสือทศพลยานจัดพิมพ์โดยฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมสนมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยเนื่องในงานฉลอง25ปีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนและงานมอบถวายคมภีอัตก ธ, ธาดีกา ซึ่งแปลและชมระโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณที่จัดทาเพื่อถวายและส่งมอบให้กับมหาจุฬาพฤษจิกายนพุทธศักราชสองพอ่านโดยอริยคุณชุมลมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักประเสริฐเตชะวลีกุลพัทราวุฒิสิงห์สีอุสาเทียมทองเจ้าภาพรองจูวิศสีโพคาครอบครัวเอียมวงศรีครอบครัวโลตีวิกุล นิชามาโสภาสุดาพรตงสุริรัชนีจันจรัตวัฒนาปติมานิยมเสนจิตติมาเดอสุกิจปรามาสวัสรค์ร่วมกับอีกหลายท่านฟันฟงได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพทานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง